ก็วันนี้ธรรมะจะสรรนได้มาก็มาก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะมาเองนั้นไปงานที่ไหนก็ตามก็อยากจะไปแต่เรื่องของการจัดอบรมปฏิบัติเพจะได้ประโยชน์ร่วมกันอาตมาก็ได้ด้วยจอได้มีโอกาสภาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังนั้น พระเราหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทําอะไรตามใจก็คงจะยากละจะทําอะไรตามธรรมเลยมีคําว่าธรรมะจัดสรรขึ้นมาจะไปที่ไหนจะทาอะไรก็แล้วแต่ธรรมะจะจัดการให้ไปแล้วถ้าเราคือรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยเราจัดการตามความต้องการของเราก็แล้วก็ว่าใจมันจัดสรร จะว่าให้ถูกอาจจะใช่ก็ว่ากิเลสมันจะสั่นก็ได้ <c oughs> อก็พิสุขุลมีความยุ่งยากมีปัญหาคือเลื่อยไปแต่พอเราเห็นว่ามีความยุ่งยากมีปัญหาทั้งที่เราทํำในสิ่งที่ดีก็แสดงว่าเรายังทําไม่ถูกมันถึงมีความยุ่งยากมีปัญหาก <c oughs> ็ <c oughs> เลยค้นหา ว่าเพราะอะไรในทํารืสิ่งที่ดีแล้วน่าจะยิ่งทําก็ยิ่งจะสบายยิ่งทําก็จะน่ามีความสงบสุขก็ค้นหาคําตอบเรื่อยเรื่อยมาไม่มีไม่เนาะไม่มอไม่มีไม่ตัวนี้มันต้องถ้าสลาจะมีเราไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรวันีไอมาหลายวันเปลียนว่าเสียงยอะไม่ได้ยินทั่วเลยว่าเสียงค่อยๆ ไทยๆเป็นวัดมาหลายวันตั้งแต่โอยได้รวมโปรนึกขึ้ได้ไหครับเขาไม่เป็นเลยเเข้าเดินทางมาตั้งแต่เดือนธรรมะจัดงานดบรมมาเรื่อยๆตั้งแต่ไปเข้ามาที่นี่ไปเดือนฟุจิกาไทยถึไปเดือนมีนาเข้ามาไทยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เลยผ่านแดดผ่านฝนผ่านป้าผ่านลุมาจากมีการหนาวจัด มาถึงที่เดลินีเซียทั้งร้อนทั้งฝนมาถึงมุนไก็ท่านหนาวทั้งลมกระทบกันหลายและรอบเลยสุขภาพที่ว่ารักษาดีแล้วไล้เอามาอยู่กันเพอเปลี่ยนพื้นที่หลายที่และแห่งประกอบกับการเดินทางดัง น, น, นั้นก็ <c oughs> นั้นได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราไปตามทามาจ่าสันก็จะมีความยุย่ง ย, ยากน้อยเน่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะ ให้ม so ันจะสรรได้ทั้งหมดก็คือในฝ่ายที่เป็นสังขารแต่ในส่วนที่เป็นวิสังขารเนี่ยเป็นธรรมโดยตรงเป็นธรรมล้วนแต่ในส่วนที่เป็นสังขารเนี่ยเป็นทั้งที่เป็นเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมเป็นชลาธรรมเป็นชลาธรรมพยาที่ทำมันเนี่ยไว้เป็นอมตะธรรมบ้างด้อส่วนสังขารเนี่ยเป็นชลาธรรมเป็นพยาที่ทำแต่ในส่วนวิสังขารเนี่ยมันก็จะเป็นอมตะธรรมละ จะไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ได้อาศัยในส่วนนี้ส่วนที่เป็นวิสังขารเนี่ยช่วยทั้งท้าวิสังขารมันมันเป็นชราธรรมเปลี่ยนแปลงแตละเวลาโดยเฉพาะร่างกายของเรามันชราตลอดเวลามีเสื่อมตั้งแต่เราเกิดเราก็บริหารจัดการความเสื่อมมาตลอดดีบ้างชั่วบ้าง สูบบ้างทุกบ้างป่วยบ้างเจ็บบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้าง น, นี่เป็นเรื่องของสังขารเราจัดการมาดีขนาไหนก็ได้แค่นี้ mm hmm. อย่าว่าแต่เราทนธรรมดาไม่แต่หมอเรยังป่วยเมื่อวานเสียดายเราไม่ได้ไปดูคนป่วยหมอว่าจะพาไปดูคนป่วยที่โรงพยาบาลก็ mm hmm. เลยว่าเวลาไม่พอก็ออเลย ไม่แต่หมอก็ยังป่วยแต่เราคนที่ไม่ใช่หมอก็ยิ่งป่วยง่ายเจ็บง่ายโดยการที่เราสังขารเนี่ยมันไม่สามารถจะบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจเราได้เรืองเป็นอนัตตาไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากป่วยก็ต้องป่วยไม่อยากหนาวก็ต้องหนาวไม่อยากร้อนก็ต้องร้อนไม่อยากหิวก็ต้องหิวไม่อยากไข้ก็ต้องไข้นี่เป็นอนัตตาบอกเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักอนัตตาเราแล้วก็ยังฟืนมัน แต่คำว่าฝืนกับว่าแก้ไขนี่ต่างกันคำว่าฝืนนี่หมายความว่าอยากให้เป็นเมืเ่อเป็นแล้วเป็นทุกขนะ์คำว่าฝือนอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นก็มันก็เป็นแต่เราก็แก้ไขมันไปเลยแต่ขณะที่เราไปแก้ไขในสิ่งที่มันเป็นเราไม่เรียกว่าฝืนะเราเรียกว่าทําวิธีการแก้ไขสมุ ท, ทยัยนะวิธีสมุ ท, ทยัยแก้ไขสมุทัยก็เรียกวามัด ที่แก้สมุทัยกับฝืนสมุทัยนี่ต่างกันคือฝืนสมุทัยนี่หมายความว่าไม่อยากจะให้มันเป็นไปตามนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ลักษณะมันเป็นอัตตาแต่ถ้าหากว่าแก้ไขสมุทัยคือเป็นมัตรตัวนี้จะเป็นธรรมนะมันรู้ว่ามันจะเจ็บจะป่วยจะชรายอย่างนี้แล้วก็พยบยาบัดแก้ไขมันไปเรื่อยๆเพื่อจะนั่งวันนั่งนี้มัน ปวดมันเมื่อยกนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้มันง่วงก็ให้แก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยนี่แรกเสะแก้ไขสมุทยัยม่ให้เป็นไปตามกฎของมันทั้งหมดนี่เขาเรียกกฎของธรรมนะเพราะนั้นในพวกเราที่มานั่งปฏิบัติกันเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาแก่นสารสาระของชีวิต Uh, ซึ่งมาได้เดินดูต้นไม้กับคุณปีชารอบๆบสว น, นหลายๆต้นไม้ต้นไ ม, นไม้บางชนิดก็โตวไวบางชนิดโตช้าบางชนิดมีแก่นบางชนิดไม่มีแก่นครก็พูดกับคุณปีชาว่ารู้ไหมว่าต้นไม้ที่มันจะมีแก่นเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีดอกมีใบามากนักหรอกดอกใบมันไม่ค่อยออกบ่อยเท่าไหร่มันจะสร้างแก่นของมันนะ แต่แล้วก็โตช้าด้วยต้นไม้ที่มีแก่นในโตช้าแต่ต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเนยโตไวนะโตวไวเกิดไวตายไวแต่ต้นไม้มีแก่นโตช้าเกิดช้าแล้วก็ตายช้าบางต้นมีอายุเป็นพันพันปีมะข่าเนี่ยว่ามีอายุเป็นพันพันปีซึ่งมันก็จะโตช้านี่ไปเห็นต้นหนึ่งคนต้นตะเขียนที่คุณวิชาชี้ให้ดู ไอ้เติมปกติโต้นตเคียนมันโตช้ามากนะนี่ทำไมเติมนี่โตไวแสดงว่าต้นไม้ที่โตมีแก่นมันโตวไวก็มีเหมือนกันถ้ารับกันดูแลเอาใจใส่ดีก็ได้ข่าวว่าคุณพิชายอยู่ที่บอกมีการสวดมนต์นภาวนากันเป็นประจำดูมนะันจะโตไม้จะโตวไวเพราะอะไรเื่อมีลุคเทวดาอยู่ด้วยช่วยให้ต้นไม้นี่มี <c oughs> ความสดชื่นแจ่มใส อันนี้เป็นไปได้ญี่ปุ่นเขาบอกเขาทํานาก็ก็จะเอาวิทยุไปเปิดเพลงด้วยใช่ไหมข้าวก็จะสดไซดงามออกดอกออกผลออกรวงออกรวงดกเงินนะอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นชีวะเป็นชีวะไบโอเป็นไบโอเป็นครึ่งชีวิตเขาเรียกว่าชีวะเห็นไหมเขาว่ามันไม่เต็มชีวิตหรืไม่เต็มชีวะนี่เขาเรียกไบาโอนะดังนั้ น, น, นเราจะเห็นว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยต่างก็รับรู้ในส่วนที่เป็นรูปเสียงกีรตได้ทั้งนั้นเราก็ต้นไม้ที่มีแก่นเนเห <c oughs> มือนคนถ้าคนที่มีแก่นก็จะจะทำอะไรไม่ได้ฟุ้งฟาดตืบตัวอะไรไวยนัดทำไปเรื่อยๆทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจะช้า แต่คนที่มีแก่นสารสาระน้อยก็เหมือนต้นไม้ที่ผู่ไฝ่ด้วยดอกด้วยใบมดงามพอถึงฤดูกาลมันก็ร่วงร่นหมนะรนหมดแต่ต้นไม้บางต้นมันก็ผ่านฤดูกาลมันก็จะร่วงโรยแต่ใบต้นมันไม่ตายบางต้นไม้บางชิดมันก็ตายทั้งใบทั้งต้นแล้วหมดฤดูกาลหรือบางต้นก็ยาวหน่อย ธรรมชาตินั้นเป็นอันเดียวกันนะชีวิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่า <c oughs> เรามีอสาระแสวงหาสาระแก่นสารชีวิตเนี่ยเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องการอะไรให้มันเจริญเร็วเกินไปเพราะต้องการให้สร้างแก่นภายในด้วยนะเพราะแก่นภายในนี่จะถูกสร้างด้วยฤดู ก, กาล การดูการเราจะสังเกตด้ว่าไม้ในเมืองเมืองหนาวเนี่ยกับเมืองเมืองที่มีฝนชุกกับเมืองที่มีฝนน้อยเนี่ยต่างกันมาไปเห็นไม้สักที่อินโดนีเซียเนี่นะเพาบอกไม้สักอินโดนีเซียไม้ที่เหมือนกับไม้ยางมันไม่มีลายเขาบอกไม้สักเอ๊ะทําไมไม่เหมือนไม้บ้านเราดูมันไม่มีลายไม่สวยเลยเพราะไปเขตในฝนชุกดูดูการเขามีแค่สอการดูดูแรงกับดดูฝน แต่ไม้สักบ้านเรากลับเป็นเนื้อที่มีสีสวยแล้วก็เนื้อแข็งนะเพราะว่าไม้สักมันชอบ <c oughs> ในเขตชื้นร้อนเวลาฤ ด, ดูแล้งมามันจะหลุนใบแล้วก็ไฟป่าก็เข้าเผาต้นประจำยิ่งถูกไฟเผาบ่อยเท่าไหร่ต้นสักก็โตไวเท่านั้ น, น, นก็จะสร้างสีสันสร้างแก่นสารสาราภายในได้ดีคนเราก็เหมือนกันถ้าถูก ต บ, บะแผดเผาบ่อยๆนี่ก็สร้างสาระภายในตะ บ, บะคือความร้อนอาตาปีนตะ บ, บะคือความร้อนความเพียนเพ่งเผาตัวนั้นะทําให้เกิดสาระภายในแต่ถ้าคนนี้ไหนคนไหนทีม่ม่มีสาระภายในถูกตะ บ, บะเพ่งเผาแล้วก็จะทนไม่ได้เราจะเห็นว่าคนที่เขามาทําความเพียนในพระศาสนานี่ยในเรื่องสม ร, รมฐานไม่ใช่น้อยเลยนะแต่คนที่มี ความคงทนมีแก่นสารสาระอยู่ได้ตลอดเนี่ยมีไม่มากแต่คนที่เลิกละเลิกลาไปเปลี่ยนแปลไปเป็นอื่นก็มีเยอะแต่คนที่ยังคงทนทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายไปจนตลอดชีวิตเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่ทําไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อถอยเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็เลิกลาไปก็เยอะนะ แต่คนที่ยืนหยัดยืนยันตั้งแต่ต้นจนปั้นปลายชีวิตเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการยืนยันว่าเราสามารถตัดสินตัวเองได้ว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนประเภทยืนต้นแบบถาวรประเภทยืนต้นแบบชั่วคราวหรือเป็นประเภทยืนต้นแบบตามฤดูกาลนะเราก็จะแบ่งเป็น3าประเภทยืนต้นแบบฤดูกาลก็ถึงฤดูกาล ก, ก็ตาย เมื่อเกิดรูดูการเกิดขึ้นใหม่หน้าฝนเกิดขึ้นใหม่งงก็งอกนางต้นใหม่รวดเร็วพอหมดรดูการฝนมันก็ตายไปนี่เขายินต้นแบบรูดูการยินต้นแบบชั่วคราวก็อาจจะยินต้นแบบ3ปี5ปี7ปี10ปีแล้วก็ตายไปยินต้นแบบเท้าวอลก็อาจจะเป็น10ปี20ปี30ปีเป็น100ปีหรือบางต้นเป็นพันปี นี่ยินดีต้อนรั้าวันเราก็เหมือนกันเราอาจจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนเราตัดสินตัวเองได้บางคนได้ทำความดีมาตลอดแล้วพัฒนาความดีขึ้นเรื่อยๆช่วงแรกเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเราเรียนศึกษาทำมาหากินพอช่วงกลางมาก็เริ่มสแสวงหาด้านการจเจริญศีล ส, สมาธิพอบั้นปลายมาก็จเจริญทั้งสมาธิและเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาไปตามลาดับนี่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ เหมือนต้นไม้ยืนต้นแบบถาวรแล้วก็บงังถ้าต้นไม้ถาวรมันอาจจะพันปีสองพันปีสองพันปีเป็นอย่างมากแต่ว่าแต่ต้นไม้ในสาระคือความเป็นคนเนี่ยโพธิในคนเนี่ยสามารถยืนต้นได้เป็นหลายพันปีเป็นหมื่นหมื่นปีอย่างพระพุทธเจ้าท้าปเจพระพุทธเจ้าท่านหลายเนี่ยท่านมีมีความยั่งยืนมาเป็นอมตะ เหนือการเวลาเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการที่เราสแสวงหาคุณค่าทางนมามธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์ยนตน้นี่สาระแกนสายที่เรามาสร้างที่นี่ก็คือตัวสาระภายในได้แก่สติสมาธิปัญญาซึ่ง <c oughs> มาเองได้ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ว่าการที่คนเราสร้างสาระภายในตั้งแต่ต้นเช่นในวัยต้นหรืสวัสดิการศึกษาการเรียนรู้มาเรื่อยๆมีสาระเบื้องต้นเราได้สิ่งนี้แล้วอ๋อในถ้ำกลางเราประกอบการทำมากินทำอาชีพการบริหารจัดการอะไรประสมผลสําเร็จและแสวงหาแก่นสารชีวิตทางด้านปรัชญาการศึกษาการศาสนาศีลธรรม พออายุมากขึ้นสิ่งเล้วนี้ก็เริ่มตกตึกแก่ขึ้นมาเป็นตัวปัญญาเป็นผู้ที่ปัญญาเราจึงได้ภาวนาเข้ามาภาวนากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายในที่นี้ก็ไม่ได้ท่านในแง่ของมนุษย์แล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงอายุร่างกายไม่ได้หมายถึงอายุระเวศแต่หมายถึงอายุระจิตนะอายุระจิตคือบางคนคนนั้นอาจจะมีความ เข้มแข็งและความพุทธิภาวะสูงตั้งแต่อายุน้อยๆก็ได้แต่บางคนอายุมากกับแปดสิบเก้าพุทธิภาวะยังไม่มีเลยมีความรับผิดชอบความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณยังไม่มีเลยนีอันนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงเอาแน่นอนแบบต้นไม้ไม่ได้ตรงนี้มันสามารถที่จะปรับได้ไวนั้นพวกเราที่มาเจริญสติแบบนี้มาถึงบอกว่าโอ้เป็นคนที่มีแก่นสาร ตั้งแต่อายนุน้อยๆก็แลก็เริ่มต้นกันละแล้วก็ตัวสติที่เราเจริญกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่วิเศษที่เราได้พบนะแม้ว่าน้าปร า, ด ท, า, ทาดทั้งหลายท่านผู้ทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญว่าคําสอนท่านเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ลง เมื่อประพฤติปฏิบัติตนเองแล้วพิสูจน์ให้เห็นความมหัศาจรรย์ความวิเศษอันนี้ได้ตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่ามันวิเศษอย่างไรเราก็จะไม่รู้คุณค่าแม้เราลงมือปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่ได้เห็นนั้นอันนี้สง์ไม่ได้เห็นความจริงภายในที่แท้จริงแล้วก็ยังไม่รู้คุณค่าที่เขาเฉลิมเสด็จได้อย่างไรนะแล้าจําเป็นจะต้องค้นหาให้เจอในตัวเองให้ได้ แล้วก็บางเอิญ น, นะเรามาพบวิธีการที่เป็นเครื่องมือของการค้นหาเนี่ย <c oughs> อย่างวิเศษนะแบบหลวงพ่อเทียนให้เรามาเนี่ยโดยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ฝังตัวเนี้ยอริยทรัพย์เนี่ยไว้ในศาสนาแล้วก็เราก็เข้าไปศึกษาค้นคว้าถึงคุณค่ า, นาอ น, นิสงส์ทรัพย์อันเนี้ย ในแง่ของการบรรยายที่คุณค่าของมันซึ่งเราได้สืบทอดมาจากตำรับตำราจากคำสอนความรู้ครูบาอาจารย์ใส่ทอดสอนเรามาล้วนแต่เป็นตัวทำขั้นสมมุตินะไม่ใช่ตัวขั้นปรมาขั้นสมมุติด้วยคคำที่ตาราคำสอนอาจารย์แบบอย่างอะไรต่างเป็นขั้นสมมุติเท่านั้นล้วนแต่เป็นลายแทง <c oughs> เป็นแผนที่เป็นลายแทงทั้งนั้นยังไม่ใช่ตัวสาระเป็นตัวซั์ที่แท้จริงจนกระทั่งเราลงมือขุดณวันนี้เราขุดลงไปทีนี้แต่คนต่างขุดในขุมซับอันเนี้ยบางคนก็เริ่มเจอบางคนก็ขุดก็ยังติดหินติดดินอยูอ่ขุดไม่ลงบางคนขุดไปแล้วไปเจออะไรไปเจอหลักเจอตอบางคนไปเจอหินเจอด่าน บางคนขุดไปแล้วไปเจอความขี้เกียจบางคนขุดไปแล้วไปเจอความง่วงบางคนขุดไปแล้วไปเจอความปวดเมื่อยบางคนขุดไปแล้วไปเจอความเบื่อความเบลอความสิงบางคนขุดไปแล้วไปเจอความสงบความพิจิตพิสดานอะไรต่างทีนี้ไอ้การที่เราจะขุดสิ่งเหล่านี้ให้ทะลุทะลวงผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะต้องมี มีพลังมีความแหลมคมเพียงพออย่างด้านแรกที่สุดที่เราไปเจอคือความง่วงเนี่ยเราจะขุดมันยังไงอ่าต้องมีเทคนิคในการขุดแล้วเราจะขุดแบบทื่อๆด้านๆไม่ได้นะเจอทุกวันใช่ไหมพอว น, นี้เจอทุกวันไหมเจอความง่วงทุกวันไหมแล้วขุดผ่านผ่านวันได้กี่ครั้งอวันหนึง่งมันอาจจะมาหาเราสักสิบครั้งเนี่ยเราผ่านไม่ได้กี่ครั้ง ตัวเนี้ยที่ว่าของดีต้องมีศักดิ์โดยเฉพาะน้ําบ่อเนี่ยน้ําน้ําใสสะอาดเนี่ยมันมักจะอยู่ใต้หินใช่ไหมใต้หินใจทรายถ้าใต้ดินนี่ก็ยังขุ่นอยู่นะเพอไปเจอหินแล้วให้ดีใจอะ่ะเพราะหมายความว่าใกล้จะเจอน้ําแล้ว <c oughs> นั้นถ้าไปเจอแต่ว่าหินองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนี่ความหินนี่ความม่วงนี่เป็นหินเลยนะของบางคนนะคือบางคนแก้ง่าย บางคนแก้ยากคาว่าแก้ยากนี่มันหินเนี่ะบางคนแก้ง่ายเมือคาความง่วงไม่เป็นดูภาษาที่สําคัญแก้ได้ง่ายแต่บางคนแก้ยากหรือแก้แล้วก็อีกก็ยังง่วงอยู่งั้นนี่เขาเรียกเป็นความง่วงเป็นหินของคนนั้นบางคนไม่ง่วงบางคนฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านแก้แล้วแก้อีกก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็อันนั้นก็เป็นหินของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาแต่ละหินหินเนื้องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะสัสมอย่างไรมา แต่โชคดีบางคนให้ขุดบอ่อไปไม่เจอหินเจอด่านใ น, นเจ้าสายน้ํำสายใหญ่เล ย, ยมีไหมมีเมื่อกันบางคนนะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าศาสนาดีไม่ไดีไปเจอหินแต่เราส่วนใหญ่เจอหินทั้งนั้นแหละแต่ให้พอใจว่าไอการที่เจอหินนี่แหละกําลังจะเจอน้ําที่ใสสะอาดนี่บางบอ่อต้องอาใช้ระเบิดเลยนะเคยเห็นไม่เคยเห็นขุดบอ่อไหมเรามาอยู่บนนอกนี่เคยเห็นเขาขุดบอ่บอบ่อยๆเขาไปเจอด่านแล้ว เขาจะย้ายบ่ก็หม่ขุดไปลึกแล้วเอเดี๋ยวเขาบอกขุดไปอีกหน่อยนะ่าเจอเนี่ยแต่มันเจอดานทําไงเอาระเบิดตัวเงินเขาเลเบิดออกตั้งหลายลูกยกหินออกระเบิดออกออ ก, ออ ก, ออ ก, ก็ปรากฏว่าเจอน้ําพอเจอน้ําแล้วทีนี่ปรากฏบ่อน้ํานั้นไม่แห้งเลยน้ําจืดสนิทกินได้ใสสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่เจออุปสรรคหนักๆอย่าไปท้ออย่าไปกลัวอันไหนที่ ที่เป็นอุศนักสุศักหนักหนักสําหรับเราเนี่ยอย่ไปกลัวว่ามันจะอยู่นั้นระเบิดมันเข้าไปทีนี้วิธีระเบิดทําไงไอ้ระเบิดบ่อยพอนึกกันออกอาจจะไม่ทำไงอย่างนีเขาก็เจาะใช่ไหมเอาเหล็กแหลมแข็งแข็งเนี่ยเจาะปิ้งปิ้งปิ้งลงไปได้สองฟุตสามฟุตก็หรือบาทีได้เป็นศอกเป็นวาแล้วก็เอาด้ไม้อัดเข้าไประเบิดไดนาไม้อัดเข้าไปเลยก แล้วขึ้นมาบนบาะจุกเราเบิดตึงออกมาเอาเอาหินออกเอายังไม่เจอน้ำอีกเจาะต่อไปอีกบางทีตั้งหลายวันหลาหลุมชั้นใดก็ดีในการเจาะระเบิดในใจของเราเนี่ยทำยังไงระเบิดความง่วงเคยระเบิดไหม้องเจาะดูนะเคยง่วงมั้งไหมั้ง ถึงกันระเบิดมันไหมหรือว่าขุดมันก็ออกค่อยๆขุดไปครับค่อยขุดไปแล้วมันออกบ้างหรือเปล่าออกบ้างไม่ออกบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างบางทีคนขุดแล้วขุดอีกขุดอีกจนกระทั่งคอพับคอเอียงก็ไม่ออกนะทําไงวิธีระเบิดก็คือไม่ใช่ลูกนี้นะของอาตมาก็คือคือ แต่ละคนต้องหาวิธีของตัวเองในการที่จะระเบิดที่มาแก้ได้อย่างชงัดก็คือพอมันง่วงขึ้นมาถ้ารู้ทันนะถ้ารู้ไปทันก็ปล่อยมันง่วงไปถ้ารู้ทันก็คือรู้ว่าอาการง่วงเป็นแบบไหนถ้ามันง่วงเป็นแบบไหนหนึ่งมันจะเริ่มอะไรเบลอสองตาเริ่มหนักใช่ไหมเห็นภาพซ้อนององเลยเห็นเลยเห็นสองค์แล้วช่วยเห็นเริ่มงเลยใช่ไหมเอ่าเบลอภาพซ้อนใช่ไหม ทีนี้พอฟอมาเกิดขึ้นนักปั๊บผมก็จะหายใจลึกออกมาสมมติมันง่วงมันสงบอย่างนี้เราก็สงบตามมันเลยคือเป็นมากกว่าที่มันเป็นอ่ะสมมติว่ามันง่วงจริงมันสงบแค่นี้ใช่ไหมเราก็สงบลึกๆไปเลยเอ า, อางี้เลยสงังบแรงๆหลายครั้งห้าครั้งสิบครั้งปรากวดว่าเปไงแล้วเบิดเลยทีนี้ตู้มเลยหายเลยทีนี้เออนี่คือวิธีอันนี้ ต้องหาวิธีเอาเองอย่างนี้แล้วเบิดของอาวุออมาใช้แบบนี้นะอาจจะยมอาจจะไม่ใช้ไดนาไม้ยมอาจจะใช้แค่ดินปืนก็ได้ให้ดินปืนก็อาจจะระเบิดนะเพราะฉะนั้นต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองให้เจอในการภาวนาจุดอ่อนของเราคืออะไรบ้างอ่าจุดแข็งของเราคืออะไรเอาจุดแข็งเนี่ยมาล้มจุดอ่อนนะแล้วก็ ระเบิดมันออกถ้าว่าเป็นจุดอ่อนก็เหมือนว่าทํำไมต้องใช้ระเบิดถ้าว่าเป็นจุดแข็งมันก็เหมือนระเบิดถ้าว่าเป็นจุดอ่อนมันก็เหมือนเลนเหมือนตมไปเจอเลนเจอตมแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าจุดอ่อนมันลดถ้าบอกว่าจุดอ่อนต้องเสียสมรรถนะลดเวลาขับรถไปเจอเลนเจอตมนะไปเจอจุดอ่อนขึ้นไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการก็คือจะต้องอ่าทำไงถ้ารถติดลหอ่ะ เคยแหมเคยดจีรุอ่าทำไงอาเอาไม้ตีงัดบ้างเออเอานลากเออเอารนลานี่แน่นอนเกิดะเพิ่มกลังวั้นี้ยอะเออเอออาไมไปงัดนี่หมถ้าเอานตีลึกลึนี่ไม่ขึ้นจริงเนี่ยงคนดันทั้งไม้งัดทั้งหนุนตีนทั้งเอากระสอบใส่เอาทรายใส่บางทีไม่ขึ้นลดมันหนักอ่าก็ต้องเอาของรถออกบ้างนะเนอะ เสร็จแล้วโอ้ขีเกียจเอาของรถออกขี้เกียจเอาขึ้นอีกเอาไปจ้างรถไถมาเออไปจ้างรถไม่โคมาขึ้นอย่างนี้ไปเถอะนั่นก็หมายความว่าอาศัยคนอื่นช่วยที่วันนั่งภาวนาต่อหน้าอาจารย์นี่นะอาจารย์เป็นรถไม่โคให้เอาภาวนาไปใครง่วงก็ซัดเลยนะเอามาก็นั่งอยู่ข้างหลังบอกเอาทงภาวนาไปเดี๋ยวง่วงจะบอกนั่งอยู่ข้างหลังก็มีหินนี่ยมือซักสำทาลูกคนไหนง่วงก็โยนเศษปอกตื่นได้ทีเนี้ย ถึงเดื ว, ว่างอีกม่ที่ไม่ใช่หินและที่นี้ใช้ไม้ตอหลังตึบขึ้นเลยทีนี้ไม่ง่วมต่อไปอ น, นี่ก็ใช้หลายๆวิธีการแก้เราจะเห็นว่าในการภาวนานี่มีอุปสรรคดีอุปรสรรคเยอะๆดีเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เราได้มีความเพียรสูงแต่ว่าเราอย่าท้อในขณะรมแก้ไขไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็คือการแก้ไข จุดที่มันเป็นปัญหาปัญหามันเกิดนั่นมันดีเพราะมันจะทําให้เราเกิดปัญญาแต่ต้องพยายามแก้นะถ้าให้แก้คําว่าแก้นี่คือตัวมักการรู้ปัญหานั่คือตัวที่เรารู้สมุทัยมาแล้วตัวปัญหาและตัวสมุทัยของปัญหา <Okay. S 1> นั้นคือสิ่งที่เต้องแก้นั่นคือสิ่งที่จะเป็นที่ทาให้มันนิรโรษให้มันดับไม่ได้แล้ววิธีแก้คือต้องใช้มักแหละที่นี้ แต่มักแล้วแต่หาของไขของมันนะบางทีครูอาจารย์บอกจะไม่ใช่แต่เราต้องหาเอาเองแต่การที่เรานั่งง่วงแงบ ง, งบเดินไม่ยอมแก้นี่หมายความว่าไงว่าคนต้องกินยาช่วยนะหายว่อารมณอะไรพกวกเรฟวอุปกรณ์ช่วยอย่างนี้นะอันนี้ก็ช่วยบางคนว่าแห่งก็ใช้กาแฟช่วยนะตัวแขช่วย อ, อันนี้วิปัสสนากาแฟก็มีเยอะอยู่นะติดกาแฟกันแถวแถวใช้กาแ ฟ, าแฟช่วย อันนี้ก็ไม่ไม่เข้าท่านะแก้หนึ่งปฏิติอันนี้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติธรรมคือวิธีแก้ปัญหานั่นเองทําไมเรานั่งยาวๆวันวันึงถ้าเราเดินไปนู่นทําแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะใช่ไหมทำไปเรื่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทำมาท่านเฉยๆเนี่ยปัญหามันเกิดทันทีทั้งเบื่อทั้งง่วงทั้งเล้าทั้งขี้เี้อัดทั้งเบื่อทั้งเบอทั้งปวดทั้งเมื่อยเป็นอยู่นั่นแหละนั่นปัญหามันเกิดนั่นคือปฏิบัติธรรม ปฏิบัติทางสคืปฏิบัติเพื่อให้ปัญหามันเกิดเพื่อเราจะได้แก้ถ้าไม่อยากให้ปัญหามันเกิดหรือไม่ยากลุกจากนี้เราไปเดินรดน้ำตัดต้นไม้กวาดใบไม้ทํานู่นทํานี้ไปเพื่อไปทั้งวันนะอย่างทำงานที่บ้านเมเคยมีปัญหาเรื่องง่วงเหรอใช่ไหมอ่าเพราะอะไรเพราะการแก้แบบนั้นเนี่ยการสบายแบบนั้นเขาเรียกได้ทําตามความอยากของเราในการทําตามความอยากเนี่ยมันเราเหมือนเราได้กินของสแสลงอ่ ได้กินของอาหารสแสดงเพื่อาหารที่เราชอบพอได้ตอบสนองเราก็มันชื่นใจจริงจรแต่ว่ามันทําให้เกิดสแสดงลูกในที่ละแต่การที่เราไม่ทําตามใจนั้นก็เรียกว่าเป็นการใส่ยาเมื่อกินของสแสดงไปแล้วใส่ยาให้สำลัาไอ้ช่วงสํารอกนี่มันก็ตําหนักหน่วงล้วนะดังนั้นเวลาเรานั่งนี่เราฝืนนะฝืนเพื่อนเกิดปัญหาเกิดขึ้นถ้านั่งไปแล้วสร้างอย่าว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยสบายนี่ โอ้โหนี้ไม่ถูกนะนะแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดบางอย่างอยู่นั่งแล้วสบายแล้วก็สร่างเยืว่วัตไม่ง่วงไม่เงาไม่มีไม่ไมมไมปวดไม่เมื่อยนี่เอ้แสดงว่าไม่เข้าทางแะแต่พอนั่งปฏิบัติปั๊บนี่โอโ้โหเกิดปัญหาทันทีนี่แสดงว่าเข้าทางวิปัสสนาแล้วอเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาที่จะให้เราแก้เหมือนเราห้ <c oughs> องสอบอะมันนั่งปฏิบัติเนยะหมือนเราเขห้ของสอบเข้าห้องสอบเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปแก้โจทย์ อ่ไปแก้โจทย์นะบางวิชาก็โหโจทย์เยอะเหลือเกินลนะเลยเนาะบางวิชาก็สิบข้อยี่สิบข้ อ, <c oughs> อบางวิชาก็สอบตกใช่ไหมบางวิชาก็สอบได้เอเข้าแต่ละคันเลยแ ต, แต่ช่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยโจทย์เยอะกว่าช่วงเช้าใช่ <c oughs> อหมช่วงเช้าไปถึงช่วงช่วงเพลย์นเนี่ยไม่ค่อยมีโจทย์ไม่ค่อย ม, ม, อยมากหรอกสามข้อห้าข้อแก้ตกสบายตอบถูกหมด แต่พอช่วงบ่ายถึงเย็นโอ้โหเวลาก็เยอะวิชาก็มากอากาศก็หม่ดีสอบตกก็ช่วงบ่ายนี่แหละเพราะนั้นถ้าอาจารย์เอาวิชา ย, ยากมาไว้ช่วงบ่ายที่เราไม่ชอบเลย <c oughs> วิชา ย, ยากๆไปไว้ช่วงเชา้าเป็นอณิตเป็ น, น, ปนอ่าทีครูเป็นเลขอะไร ไ, ว, ไว้ทั้งเช้าตรงเวลาบ่ายเป็นวิชาง่ า, งงายๆ <c oughs> แต่วิปรชนาไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เลือกวิชาไม่ได้เพราะคนที่ให้โจทย์เราเนี่ยมันไม่ใช่ครูใครให้โจทย์กันเราเอง <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทำไมให้โจทย์ยากอะขนาดเราให้ตัวเองทําไมให้ยากอะ่ะพ่อเราเป็นคนเก่งอย่างเงี้ยแต่ทิงออกข้อสอบเขาตัวเองให้ยากเลยเออถ้าเราไม่เก่งข้อสอบเราไม่ยากขนาดนั้นเนะพราะน้นที่มันเกิดมีปัญหาเยอะๆให้รู้ว่าเราเป็นคนเก่งเนี่ยเขาถึงออกข้อสอบยากให้เราแต่ถ้านั่งไปข้อสอบง่ายๆนี่แสดงว่าเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออกข้อสอบง่ายเล ย, เลย <c oughs> ใช่ไหมแต่คนไห้สอบผ่านเป็นไงอสอบผ่านที่ปัิศนา ชั้นอื่นเนี่ยเขามีแค่ห้าชั้นเจ็ดชั้นเนี่ยแต่ว่านักวิชาการทางพูทธศาสนาเขาออกข้อสอบในของพุทธยานในกี่ข้อรู้ไหมให้ <c oughs> hey, ใครจะรู้บ้างนอกมันมีอยู่สามข้อช้อยหลักใหญ่ๆนะแต่ในข้อช้อยสามข้อหลักใหญ่ๆเนี่ยมันมีปัญหาข้อย่อยเยอะเลยข้อช้อย อข้อหลักใหญ่นี่เขาเรียกว่าพระตรปพิฎกเนี่ยสามวิชาสามวิชาอวิชาพระวินัยวิชาพระธรรมวิชาอภิธรรมสามวิชาวิชาวินัยเนี่ยมีข้อสอบถึงเท่าไหร่รู้มสองหมื่นหนึ่งพันข้อวิชาธรรมาอีกเท่าไหร่พระสูตรอ่ะอีกสองหมืนหนึ่งพันข้อวิชาวิธรรม สี่0มื่นสองพันข้ อ, อโอ้โหแปนมื่นสี่พันข้อเออจะอะไรจะขนาดนั้นถ้าใครสอบได้ผ่านทั้งหมดเนี่ยพระกูรปี ไ, ปไงสองดาวนหมดทุกเออไม่ใช่โสดาวันแล้วเป็นพระรหันเลยเออโสดาวันแค่สอง0มืนหนึ่งพันข้ออ่าสกาธาคากับอนาคานี่อีกสองหมื่นหนึ่งพันข้อพระรหันนี่สี่หม0 0นสองพันข้อ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นท้อไหมทํงข้อสอบแล้วในวันนีส้สอบไปแล้วกี<ม>่ข้อก็ขออนุญาตนครับไม่ผ่านในวันนี้ใช่ไหมไม่ผ่านวันนี้ครับไม่ผ่านวันนี้พูกมาสอบใหม่ <c oughs> วันนี้สอบตกพาดุกยกเลยใช่ไหมสอบไม่ผ่านกรรมการต้องกรรมการต้องให้ออกข้อสอบแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปเขาทำด้วยกรรมกาไต้องให้หอก เอาไปดูไปไปดูข้อสอบใหม่ก็ได้ไปคุณพิชาไปดูข้อสอบใหม่เดี๋ยวมาสอบใหม่ไปไปดูข้อสอบนอกห้องเห็นไหมข้อสอบหนักจริงคุณพิชาเนี่ถ้าผ่านข้อนี้คุณวิชานี่ไปยาวเลยอเห็นไหมข้อสอบแปดหมื่นสี่พันแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าข้อสอบผ่านไปเท่าไหร่แล้วผ่านได้ถึงตาข้อโอ้ไม่ได้ผ่านไปว่างแล้วแต่ว่าแต่ที่น่าท้อที่สุดคืออะไรข้อสอบที่เราคิดว่าตอบถูกแล้วนะ พิสูจววันหนึ่งมันกลับไม่ถูกนี่นะผมก็ท่้เจ็บใจตรงเนี้ยออดังนั้นใครสอบผ่านแปดหมื่นสี่พันปรากฏว่าหมดทุกเลยไม่มีทุงเหลืออยู่เลยแต่ที่แน่ๆคือว่าข้อสอบนี้ไม่มีคนอื่นตรวจข้อสอบแต่ใครเป็นคนตรวจให้ตรวจเองออกข้อสอบเองเ <c oughs> <c oughs> ออนี่ถ้าเข้าข้างตัวเองเพิ่มข้อสอบอีกนะครเออ ถ้าคนไหนตวจข้อสอบเข้าข้างตัวเองเป็นการเวิร์กเพิ่มข้อสอบให้ตัวเองเองีกหนักเข้าไปอีกไม่ใช่แปดหมื่นสี่พันแล้วเดี๋ยนี้อาจจะเป็นดับเบิลเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยทีนี้อ่าเราจะทํำยังไงให้ให้เรียนอย่างสนุกและสอบอย่างสนุกเอามามีนิสัยอย่งชอบเรียนรู้เมื่อก่อนเนี่ยมาสมัยเรียนรู้เนี่ยอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ข้อน้ําก็ไม่เว้นะต้องพกหนังสือไ้ด้วยเพราะฉะนั้น ในการที่ใส่เรียนรู้ข้างนอกเนี่ยเวลาเรามาศึกษาข้างในมันกลับเป็นผลดีเหมือนกันเรียนรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอทําไมถึงมีความโลภทําไมถึงมีความโกรธทาไมถึงมีความโง่ทาไมเราจึงเป็นคนอย่างนี้ทําไมเราจึงเป็นคนพูดมากทาไมเราไม่ยึงเป็นคนหูยิดทําไมเราเป็นคนเห็นแก่ตัวทําไมเราเป็นคนโอ้มันมันซักไซดตัวเองอะ่ะไม่สอบสวนตัวเอง อ, ะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราก็สอบมันไปเรื่อยๆเหมือนเราเป็นครูเลยนะ คูข้างนอกยังออกข้อสอบไม่รู้ใจเราเนียเราจะรู้ใจเราเรารู้ข้อสอบเราเองดีที่สุดใช่ไหมเราจะรู้ข้อสอบเราเองว่าเราติดข้อสอบข้อไหนถ้าข้อสอบข้อไหนเรารู้ว่าติดแล้วเรากลัวข้อสอบข้อนั้นไปไงโอ้โหอย่ามาแตะชันนะอันนี้คือจุดอ่อนของฉันนะเออข้อนี้พูดเรื่องอื่นพูดได้แต่อย่าพูดเรื่องนี้นั่นหมายความว่าข้อสอบนี้แม้ตัวเองก็ยังไม่ให้าคนอื่นแตะเลยอ่ะใช่ไหมเห็นไหมมันยากขนาดไหน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้ศึกษาไปไม่มีครูที่ไหนในโลกนี้มามาสอบเราได้นอกจากตัวเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็คือไม่มาไม่สามารถสอบเราได้แต่นอกจากพระพุทธเจ้าในตัวเราเองนะเพราะตามคอนเซปต์แล้วทุกคนมีพระพุทธเจ้าในตัวเองเนียเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นจะตอบข้อสอบเราเองได้แต่พระพุทธเจ้าของเจ้าชายทิศตะก็ยังให้แนวเรามาเท่านั้นนะ แต่ยังตอบข้อสอมในตัวเราเองนอกจากพระพุทธเจ้าในตัวเราทั้งแต่ละคนมีพระพุทธเจ้าของตัวเองนะเจ้าชายจิตรดาท่านก็พบพระพุทธเจ้าของของท่านแต่ท่านก็มาบอกเราเนี่ยแต่ละคนมีพระพุทธเจ้าในตัวเองนะเรียกว่าพุทธะอะไรพุทธภาวะอ่าพุทธภาวะทางเหนือเขาเรียกว่าพุทธทางกูลเคยได้ยินคำนี้ไหมหน่อพุทธทางกูลเคยได้ยินไหมอ่าคือตัวนี้แหละคือตัวพุทธภาวะหรืพุทธจิตนี่แหละเออ ดังนั้นเองเราทั้งหลายจึงเป็นคนโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแด้ยังไม่ถึงเท่านั้นนะแล้วเป็นมนุษย์ที่มีศรัทธามนุษย์หลายหลายคนที่ไม่มีศรัทธามีไหม ม, มีเยอะแยะมนุษย์หลายคนที่มีศรัทธาแล้วแต่ยังไม่มีความเพียรมีไหมมีมนุษย์หลายคนมีทั้งศรัทธาและความเพียรแต่ยังไม่รู้จักสติสมัมปชัญญามีไหมมีเยอะมาก มีเยอะมากไอ้เพาะศรัทธาสมนุษย์ที่มีศรัทธาเนี่ยว่ามีเยอะแล้วนะแต่นับดูแล้วมันก็ยังไม่มีทุกคนหรอกแต่มีความเพียรด้วยเขาเกยวกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอ่ามีความเพียรแล้วมันมีสติด้วยมีสติไหมพราะมีสมาธิด้วยเอาเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาด้วยโอวิเศษเลยเนี่ยที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นวิเศษอย่างนี้เองจะวิเศษหมายว่าเจอทั้งเป็นมนุษย์ที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานะถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถ้ายังไม่มีศรัทธาวิทยาสติ ส, สมปชัญก็ชื่อว่าความเป็นมนุษย์ยังไม่มีวิเศษเท่าไหร่ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่นะเพราะฉะนั้นเองต้อมาว่าชีวิตนี้ไม่ไม่ว่าเราจะภาวนาอยู่ที่ไหนเราอย่าลืมทดสอบตัวเองค้นหาข้อสอบตัวเองว่าอะไรบ้างในตัวเราเองที่เรายังสอบตอบมันไม่ได้ตั้งสังเกตว่าอะไรบ้างที่ยังสอบไม่ผ่าน แต่ว่าเอาเฮ้ยฉันมีโรคอันนี้ฉันยังสอบไม่ผ่านเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบไหมท่า <c oughs> นเป็นโรคชนิดหนึ่งอย่างหลวงพ่อเป็นโรคภูมิแพ้สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านเลยนะเนแหลยังไม่ผ่านมาเลยแต่บางครั้งก็ผ่านไปเจอเงื่อนไขอากาศดีๆก็ผ่าน <c oughs> ดังนั้นข้อสอบมีสองลักษณะหนึ่งข้อสอบที่แก้ไขแล้วจบ แก้ไขได้คำตอบแล้วจบเลือกข้อสอบประเภทนี้เลือกข้อสอบเป็นวิสังขารสองข้อสอบที่แก้แล้วแก่อีกไม่เคยจบแก้ข้อนี้ไปติดข้อนั้นแก้ไปข้อสอบข้อนี้ข้อสอบสังขารเรามาย่อเรืองข้อสอบในรูปกับข้อสอบในนามข้อสอบในในนามเนั่นหมายควว่าตอบเสร็จแล้วจบแต่ข้อสอบในรูปเนี่ยตอบเสร็จแล้วไม่จบ เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเป็นข้อสอบที่ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแต่ข้อสอบประเภทที่มันเป็นวิสังขารคําว่าวิสังขารกับอนัตตานี่เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนหรือสิ่งเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องต้องถามข้อสอบคนนี้กับคุณหมอกัอน เรื่องสังขารตรงนี้เรื่องสังขารนะเอามายังไม่เคยออกข้อสอบที่นี่ที่อื่นจากข้อสอบนี้ที่อื่นเลยนะโยนข้อสอบว่าเรื่องของวิสังขารกับเรื่องอนัตตาเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> เอยอย่างไงฟังแล้วแปลกๆต้องขอน้ำสักแก้วก่อนถึงจะตอบปัญหาได้นู่ <c oughs> นน้าตั้งอยู่ข้างหลัง คุณหมอคิดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเพึ่นตามเพื่อนมากาลังต้องการคําตอบอยู่อันนี้ยังไม่ได้บุญขอให้ได้บุญกาดีอีกนิดนึงเดี๋ยวองถามยมอ้วนใหม่นะยมอ้วนอาจจะได้ก็ได้ถ้าหมอตอบไม่ได้จะให้คุณยมอ้วนตอบ <c oughs> ม็อยู่ที่นี่ไปยยนนอไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปนะน้ำปยังยังยังยังยังไม่ต้องไปเดี๋ยวถ้าจอกเข้าถามที่ยังไม่ต้องไปหเฉลยเาอิงง่ง ไ, ตงไปตอนนี้พระไม่หิวน้ปนนะหรอน้ำเพยยื่เฉยทุกนก็อดดื่มด้วยโอใช่อดเพราะว่าหลังจากเพลไปแล้วอย่าทานอะไรทานน้ำพอเพราะว่านักปฏิบัติต้องทานน้อย เรื่องสังขารก็เรื่องอวิสังขารเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องต้องมีหลักฐานเลยนะถ้าเรื่องเดียวกันห ม, มายความว่ายังไงถ้าคนละเรื่องเปง็นยังไงขอขับมนที่ไหวฮะสังขารก็เปลี่ยนสังขารก็เปลี่ยนไปเลยอนัตตาเปลี่ยนไหมเออ สำคัญนะน้องอิงตอบแทนผู้เาวุสูงข้อหน่อยอานัตตาก็เรื่องวิสังขารเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องอธิบายด้วยเป็นเรื่องเดียวกันยังงทุกสิ่งมีมการเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็ไม่แน่นอนเยู่แล้วอืมเ <c oughs> ออ ต้องหาที่ไปที่มาเนะ่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรต้นต้นก่อเกิดจากอะไรคําว่าอนัตานนตาเกขาเกิด จ, จาก อ, อนิจจังพัฒนามาเป็นทุกขังพัฒนามาเป็นอนัตตานี่ที่ไปที่มาของมันเราหาให้เจอก่อนอนัตตาพัฒนา ม, มาจาก อ, อนิจจังทีนี้ วิสังขารพัฒนามาจากอะไรวิสังขารพัฒนามาจากอะไรการเปลี่ยนแปลงว่าสังขารที่แปลว่าร่างกายบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะพี่สังขารนี่ใช่หเคยินแด่ว่าสังขารใช่ไหมคำที่มาคืออย่างนี้นะ เมื่อใดเรายังไม่พบญาณเราได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสาร<ม>เป็นอเนกชาติดูก่อนทันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกข์าวเป็นทุกข์ล่ําไปการจิต<บ>ของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ถึงความสิ้นไปของทันหาคือถึงวิสังหาร<บ>เดี๋ยวรออยู่ข้างนอกหน่อยอยังไม่เสร็จอ่า ยังไม่นิมนต์ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานิมนต์นิมนต์รออยู่ข้างนอกอตรงพ่อทองแดงท่านสมาชิกประจําที่นี่ท่านมาตามหาจัมาเนียเพราะฉะนั้นวิสังขารกําเนิดมาจากตัวสังขารก่อนที่จะมีวิสังขานี่นะสังขารกําเนิดมาจากตัวอวิชาอาวิชาก่อนให้เกิดสังขารสังขาร ก็ให้เกิดตัววิญญาณอ่าเพราะฉะนั้นตัววิสังขารมันจึงมาจากตัววิชาอวิชาก็ให้เกิดสังขารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชาก็เกิดแล้วจะเปลี่ยนตัววิชาอวิชานี้ให้เป็นวิชาวิชาต้องก่อให้เกิดวิสังขารเพราะสังขารมันเกิดจากอวิชาใช่ไหมเพราะนั้น วิสังขารก็ต้องเกิดจากวิชาอ่าที่วิชาแปลว่าอะไรฮะวิชาแปลว่าอะไรคุณหมอรู้จะเพิ่งรู้ตัวดิเอารู้เรื่องก่อนรู้ตัวนี่ก็เรียกว่าเอาว่ามันรู้เรื่องรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจอ่ารู้เรื่องบางทีมีรู้ตัวกันแต่ไม่รู้เรื่องของกายไม่รู้เรื่องของใจนี่ไม่เป็นวิชากายเป็นยังไงใจเป็นยังไง ที่สังขารต้องบอกว่าเกิดจากการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันใช้ไม่ได้คําว่าสังขารคําว่าอนัตตาอัตตาตัวนั้นน่ะสังขารตัวนั้นน่ะมันมาเป็นคําว่าอนิจจังด้วยมันมาเป็นอนัตตาด้วยสังขาราอนัตตาไงอ่ะสังขาราเพราะฉะนั้นอนัตตาเพราะฉะนั้นตัวคําว่าอนัตตาเนี่ยมันก็จะ มันเป็นสังขารแต่วิสังขารมันไม่ใช่สังขารวิสังขารก็มาจากวิชาเพราะนั้นอัตตามันเกิดจากวิชาแต่วิสังขารเกิดจากวิชาเห็นไหมสื่อไปสืบมาคนละเรื่องเดียวกันเพราะวิสังขารเกิดจากวิชาแต่สังขารเกิดจากวิชา วิชาคือความไม่รู้สึกกายไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจแต่วิสังขารคือความรู้จักกายรู้จักใจเหมือนกันแต่ต่างกันคนละเรื่องเลยเชื่อไมสังขาราอนาัตตาไม่มีควาว่าวิสังขาราอนาัตตาไม่มีเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้ที่กล่าวถึงเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรารู้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็น วิสังขารถ้ารู้อย่างไม่ถูกต้องมันเป็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเมื่อจับต้นตออย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำความรู้สึกตัวได้อย่างสนุกสนานไม่เบือ่อไม่หนายไม่สงสัยเพราะรู้ที่ไปที่มาเพราะยิ่งรู้สึกแต่คำว่ารู้สึกตัวนี่กับรู้จักตัวเองเนี่ยต่างกันลึือเหมือนกันบางคนรู้สึกตัวแต่ไม่รู้จักตัวเองใช่ไหขโมยเนี่ยมันไปขโมยของคนเนี่ยมันรู้ มันรู <them. S 1> ้ส e ึกตัวไหมรู้สึกแต่มันรู้จักตัวเองไหมเออรู้ว่าเปขโมยเออรู้ว่าเป็นขโมยถ้ามันรู้ว่ามันเป็นขโมยมันจะไม่ขโมยมีคนเมาที่ไหนบ้างยอมรับว่าฉันเองเป็นคนเมาเนี่ยไม่เคยมีฉันไม่เมาฉันไม่เมาถ้าที่เมาพ่อแม่ได้แหละบอกว่าฉันไม่เมาถ้ามันรู้ว่าเป็นขโมยมันจะไม่ขโมยเอแต่ที่มันไปขโมยเพราะมันไม่รู้จักเพราะมันเป็นขโมยนะเออมันบอกไอ้นี่มันลยนักกูเอา มาใช้สว่างนี่มันก็บอกเออไอ้นี่ขเข้าข้างตัวเองเล่กไปะ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญสติเนี่ยให้รู้สึกตัวเพื่อให้รู้จักตัวเองแต่ถ้าคนไม่รู้สึกตัวแล้วมันคนที่มีไฟฉายในมือไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเดินทางถูกเสมอไปอ่าบอกว่าวันนี้ไปบ้านน้นหน่อยโยไม่เคยไปใช่ไหมอ้าไฟฉายไป เวลากลางคืนนะเนี่ยไปซื้อของบ้านโน้นหน่อยโยมมาถึงบ้านนี้ใหม่ๆอ่ะบ้านนี้นใหม่ๆอ่ะเอาโยไปซื้อของร้านโน้นหน่อยเนี่ยใชย่จะมาไปเป็นเวลาจนเย็นค่าแล้วออคไปไม่ได้อาอเอาไฟฉ า, า, า, ายนี้ไปเอามีไฟฉ า, ายแล้วยังไปไม่ได้เพราะอะไร<อ>เพราะยังไม่เคยไปเพราะไม่รู้จักร้านนั้นอยู่ที่ไหน<อ>เพราะนั้นคนรู้สึกตัวแล้วอย่าคิดว่าจะรู้จักตัวเองคนมีไฟฉ า, ายแล้วอย่าคิดว่าเขาจะไปถูกทางเข้าใจไหม เพราะนั้นความรู้สึกตัวกับรู้จักตัวนั้นคนละอย่างแต่ความรู้สึกตัวนั่นแหละถ้าได้รู้จักคนนําทางด้วยมันจะไปถูกเพราะมีไฟฉายแล้วเข้าใจไหมเพราะหน้าที่เราทําความรู้จักตัวเนี่ยเผื่อว่าหวังว่าวันหนึ่งเราจะพบคนที่รู้จักทางมาบอกเราแล้วเราจะไปถูกก็คือเราเตรียมไฟฉายไว้ถึงแม้ว่าตรงนั้นไม่เคยไปเราหวังว่าเราจะรู้พบคนข้างหน้า เมื่อกี้เราขับรถมาขึ้นขึ้นการทางเราไม่แน่ใจเราก็เลยทางที่จะมาเบิกฟ้า <c oughs> เลยทางไปรถเราก็มีรู้แสงสว่างโล่เลยแต่เราก็ไปผิดทางอยู่ดีเราก็เลยถามเขาที่คุณคุณไปทางไอ้เบิกฟ้าอาสมเนี่ยไปทางไหนเนี่ย <c oughs> เออคุณย้อนไปหน่อยเข้าทางโน้นดิถึงไม่รู้จักทางนี่เห็นไหแล้วมีอุปกรณ์มีแสงสว่างพร้อมแต่เรายังไปไม่ถูก เพราะเราขาดคนรู้จักทางแล้วต้องอาศัยคนรู้จักทางมาบอกเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามีสํานักเนี่ยเพื่อที่จะต้อนรับผู้ที่รู้เจักทางมาบอกเราสํานักเนี่เป็นที่สร้างแสงสว่างขึ้นมาแต่ว่ายังไปทางไม่ถูก mm hmm. ก็อาศัยกเรยียาณมิตครูบาอาจารย์ได้จาริกได้จอดมาพบเราท่านก็มาบอกเราอย่างนี้เกิดว่าไปเจอคนไปถามทาง ลุงลุงทางได้ไปทางไหนจะไปดันเออจะไปดันช้างเนี่ยอผมคิดว่าไปทางนี้นะท่านนะลองไปดูนะอะชักไม่แน่ใ่แล้วมันใช่หรือเปล่าผมคิดว่า น, นี่นะแล้วดังว่าเราเมื่อวานเป็นแบบนี้ไม่รู้รอไปก่อนแล้วไงตรงนั้นเอใ <c oughs> เอใช่ไหมเออเพราะอะไรอันนี้คือเป็นสาวมาันมากในชีวิตประจำวันของเราเรื่องปฏิบัติธรรมก็มันมีเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบางทีเราลืมนึกไป ดังนั้นเราสร้างสำนักนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแสงสว่างร่วมกันและในแสงสว่างนี้แล้วก็ผู้รู้จากทางทั้งหลายจะมาแวะเวียนหาเราเรื่อยเรื่ยแล้มาบอกทางเราเราก็เดินไปแต่ว่าเออมันมีแต่ว่านะเรื่องทางภายนอกเนะี่ยมันพอแน่กันได้บอก ป, ปกั๊บกดไปถูกละแต่าทางภายในนะบางทีบอกแล้วนะก็ยังไปไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะทางภายนอกอะไปเลี้ยวไหนก็เลี้ยวนั้น ใช่ไหมแต่ทางภายในมันมีไปนิดหนึ่งมันก็จะเลี้ยวอยู่เรื่อยนะฮะไปหน่อยมันก็จะเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งจะเลี้ยวขวาตั้งใจว่าเดินนี่จะไม่คิดไปสักพักมันคิดแล้วใช่ไหมคิดตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องนี้สักพักมันก็คิดแล้วมันแวะอยู่เรื่อยเนี่ยที่มันยากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบางแห่งเลยไม่แน่ใจว่าเพียงจะรอครูอาจารย์มาอยู่เท่านั้นนี่มูลท่านมาอยู่ประจำเสียเลยท่าจะได้บอกเราได้ตลอดเวลาเอออย่างนั้นก็มีนะอ๋อันนี้ฮะ เหตุเกิดเมื่อสองตัวนี้เองนั่นแหละเอามาก็รู้ว่า <laughs> <laughs> เหตุจะเกิดอ่ะเออยสวมต่อเลย <laughs> ว่าไงหลงพ่อทองแดงมากับแม่ฉีคกับซึ่งจะมาเบิกฟ้านี่แหละคะ่ะทั้งสองคนเคยมาทั้งคู่อืมแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครผิดกันแน่เพราะว่าเตว่าเวลาจะพูดมาเจอต่อหน้ากันเนี่ยพูดกันไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่ไม่ยอมแล้วว่าใครเป็นคนผิด แต่แต่แล้วก็มาถูกมาถึงจนได้เราก็เอาว่าแค่นี้เลยค่ะอ๋อนี่เป็นปรัชญาคือหมายความว่าบางทีนะเรามีความจะบอกว่าใครผิดก็บอพอพอพออีกฝ่ายมาบอกหยุดหยุดพูดอย่าพูดมาถึงแล้วนะ เพราะว่าบางทีเราเดินทางบ่อยแต่เราไม่ใช่คนเจ้าสังเกตสังการนักอนะมาทางบ่อยแต่ก็ลืมสังเกตบางทีก็มาหลายครั้งแต่ยังจําทางไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเดินทางอย่างเดียวบอก<บ>คนเขาเชื่อมันตัวเองเกินไปใช่ <c oughs> แต่บางคนเดินทางกลางคืน มาถึงเมืองการแต่ให้มาใหม่มาไม่ถูกบ่อยตอนมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจําทางไม่ได้มากลางคืนวันนี้คนที่เคยมาที่นี่ก็นั่งรถมากับเราแต่บอกทางเราไม่ถูกเอาทําไมบอกไม่ถูกยงบอกฉันมากลางคืนเหมือนกันนะ <c oughs> เคยจำทางไว้ได้เออ <c oughs> อันนี้ก็มีบางทีเราก็อ่าเดินทางมืดๆเดินทางที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆบางคนปฏิบัติทำมานานแต่ว่าทําแบบไม่รู้ไงเหมือนเดินทางมืดนะเดินไปมืดเดิเชื่อ ลุงพ่อทองแดงหรูอก็จะเชื่อแม่ชีดีแล้วคะมาถึงจนได้มาถึงทั้งคู่นะก็เชื่อทั้งสองคนนั่นแหละดังนั้นปฏิบัติอย่างนั้นดีไหมครัก็อย่างนั้นก็ได้ถ้าหางแน่ใจแต่มันช้าหน่อยเท่านั้นเองมันช้าหน่อยนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเดินทางเราจะต้องมีความรู้อย่างน้อยสองอย่างหนึ่งต้องมีผู้ชี้ทางสองเราต้องเป็นผู้ เดินทางต้องรู้จักสังเกตสังกาว่าป้ายบอกยังไงกี่กิโลแล้วก็รู้จักถามไทยอ่าแล้วแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาจะมาที่นี่แหละค่ะทีนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดเอาป้ายกลับไปข้างหลังเออเออลูกศรอาหารเวูกอรา์กอละที่เออนั่นก็มีนะเออย่างนั้นเออ ถาันเกผิดแล้วไย้นกลับมาหม่เอ้าไปดูซิที่ป้ายมันว่าไงก็้เอวนมืนได้หมลมมันตีกลับไปอ่นเยต้องสังเกตหลายๆอย่างใช่นี่เขาเรียกว่าเทวดามันพระดานนะมัจะมัสุกโผลโผกันอยู่เลยพระเจ้าอันนี้ในเหตุการณ์ภายนอกเราพอแก้ไขๆกันทันนะ แต่เหตุการ์ภายในมันถามใครไม่ได้เลยบางคนเดินทางตลอดชีวิตก็ยังไม่ถึงเลยนะในการดับทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มีหลักอยู่สองอย่างจำให้แม่นเลยหนึ่งต้องมีผู้รู้จริงเรียกว่ากัลยาณมิตรมาบอกเราสองเราจะต้องเป็นคนที่ทุวนแยบภายในการเดินทางไม่ใช่เดินดุบๆไปไม่มองใช่ไม่มองขอไม่ถามใครไม่ใช่เราจะต้องรู้จักสังเกตสังกา รู้จักอาไทยรู้จักถามรู้จักนั้นดังนั้นเองในจุดเนี้ยท่านใช้คำว่าโยนิสุขอนิสการคือเราต้องมีความถี่ท้วนมีปัญญาพอสมควรในการเดินทางนะให้อาศัยสองหลักเนี้ยแล้วเราก็จะเดินทางที่ปลอดภัยนะแล้นั้นในชีวิตของเราที่จะปลอดภัยในการเดินทางจริงๆแล้วเนี้ยสองเรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเดินทางทางจิตเนี่ย แม้แต่เดินทางในชีวิตเดินทางไปสู่เป้าหมายความสาเร็จในชีวิตทางภายในโลกภายนอกอาศัยสองเรื่องนี่แหละใช่ไหมพุทธเจ้าถึงได้จัดเรื่องอเศวนาไงอาศัวนาจะภาระหนังปติญญาในใจเสวนาให้ครบคุณฉลาดจะคบคนโง่นะคบคุณฉลาดเขาจะบอกทางเราอะไนาดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอัานไรทางมันจะรวยยังไงทางมันจะรู้ยังไงทางมันจะได้ดียังไงเนี่ยเขาจะบอกเราเนี่ยคนฉลาดแต่คนโง่มันก็จะพาเราไปทางผิดนั่แหละ ทางจะกินจะเล่นจะสนุกจะสนนั้นจ ะ, จะเพื่อจะเพลินยังไงคนโง่จะพาไปทางนั้นแต่เราก็มักจะชอบคบคนนั้นอะไม่รู้เป็นยังไงพุทธิยาระตัดว่าอเศัวานาจะพารานำแล้วก็ <c oughs> ในส่วนการปฏิบัติทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเราก็ต้องคบคนรู้แต่คบคนรู้มีสองลักษณะคนรู้ภายนอกได้แก่กายาณมิตรคนรู้ภายในได้แก่ตัวเราเองเราต้องคบผู้รู้ภายในด้วยคือผู้รู้สึกตัว เนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกว่าคนบัณฑิตภายนอกเลยเราก็อาศัยท่านได้เป็นบางครัง้งบางคราวหรือจะไปอยู่ไปกินไปนอนไปอยู่ร่วมกับท่านได้งไงเพราะทางคนทางมีกินมีงานทําแต่ไอผู้รู้ภายในอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วถ้างคบคนนี้ท่านว่านะต้าคบคนผู้รู้บัณฑิตคนนี้คบตัวรู้ของเราเองนี่แหละสามารถจะบอกเราได้ตลอดเวลานี่เราก็ต้องสร้างผู้รู้ขึ้ น, นมาใช่ไหมครันี้บัณฑิตภายในอดังนั้น ในการภาวนาเนี่ยเราจาเป็นี่ต้องมีสิ่งที่เกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงเข้าใจให้ชัดเจนอย่าอย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่จะฝากไว้ในบ่ายวันนี้ก็คือว่าการทำข้อสอบตัวเองนั้นข้อสอบภายนอกนะมันยังออกเป็นฤดูกาลนะใช่ไหมปีกันสองสามครั้งแต่ข้อสอบภายในนี่มันเขียนออกมาได้ตลอดเวลานะต่อกันไม่หวัน่นไม่ไหวนะี่ วันหนึ่งแทนที่เราจะหา้าข้อสิบข้อใช่ไหมบางทีวันต่าไป็นร้อยร้อยข้อสองร้อยข้อมันยังออกไม่จบเลยนะี่ยก็คือั้องตอบอีกก็มีนะต้องนอนตอบประโยน์ตัวเองต้งคิดแล้วคิดอีกเห็นไหมมันมันเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ข้ อ, ขอสอบเองแต่วันนั้นเราจะไม่ให้มีข้อสอบเลยก็ได้คือไม่ต้องคิดไม่ต้องสร้างปัญหาอะไรทั้งนั้นทําจิตให้ว่างๆบางวันทําได้วันไหนต้องการพักวันนี้ฉันไม่สอบแล้วนะบอกใจตัวเองได้ไหม วันนี้ฉันไม่ทำข้อสอบนะฉันจะทำให้จิตว่างตลอดวันเนี่ยได้ไหมป้ปอ้วนมีบ้างไหม <c oughs> ไม่มีเลยนะโ อ, โอ้โหไม่ขีเหียนบ้างเลยสอบทุกวันเลที่ต้นไม้งามอ่ะมีเคล็ละบอย่างค่ะอะไรป้าอนดน้ำดยออนั่นน่ะนี่ข้อสอบเป็นข้อสอบอันหนึ่งที่เรียกว่าทำข้อสอบบ่อยๆต้นไม้ตัวไวอ่าดังนั้นดูให้ดีทุกอย่าง เป็นปัญหาเป็นข้อสอบทั้งนั้นแต่นักเรียนคนไหนที่ศึกษาเรียนรู้ข้อสอบอย่างสนุกสนานคนนั้นก็จะก้าวหน้าได้ไวสอบได้เร็วแต่คนไหนท้อท้อหงอยเหียวเมื่อเห็นปัญหาคนไหนกดขี้เกียจเกินเบือ่อเกิดขี้เกียจอ่านหนังสืออ่านหนังสือภายนอกเนี่ยร้อยเล่มพันเล่มอ่านจบแต่อ่านตัวเองเนี่ยโอ้โหอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบนะอ่านแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยชอบอ่าน่ะแล้วชอบลุยไปกับมันเลยนะเพราะฉะนั้นต้องอ่าน หลวพ่เทีนบอกว่าเนี่ยอ่าตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดจัดตัวเองให้ถูกแล้วก็ปลูกฝังศรัทธาและความเพียรอยู่เสมอแล้วเราก็จะสอบผ่านได้ทุกทุกวิชาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ก็เอาแค่นี้เนะาะเพื่อเราจะได้ไปตอบข้อสอบของเราเองให้ได้ แล้วก็อาศัยสร้างผู้รู้ในตัวเองให้เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่หลงทางนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะไปทำความเพียรต่อไปให้สามารถตอบข้อสอบให้หมดได้ภายในอันใกล้นี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเทน